Book 2สวสันทานซ้อนสันทาน du ลวจนิการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปุตวายเยบลลี อ l น p r e v i ์ e n a p o r n า v o ร je นรถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปวอซีเบตชอลปุโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปโฮบออุกอดอลีสกูป เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ On užima ili a u ตบ b u ล i l อ v o สเขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา zi, as, cher, ra, ้า On ดล l a z อ ili d a น a s n a v e อร์อ l i sutra อยุต r รเขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม On stanuje ili kod nas, ili u hotelu เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ ona govor i т и испанский, и а н г л и й с к เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน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 เวช์ท er ักโฮเจอร์ิลเ e นเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย ona n e า a นซเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยเอ a น่าเนซัมโ i ดิฉันเล่นไม่ได้ทางเปียโนและกีตาย์ฉันไม่รู้เล่นนิ้ทีคลาวิร์นิ้ทีกีตาร์ดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบา้าฉ น, นไม่ไลลมร p l เล่นน niti วซ์นิ i ทีแซม ดิฉันไม่ชอบทางโอเปร่าและบัลเล่ยเนโวลิมนติโอเปรูนิติบเล่ย์ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นตบรเจราดิชโตซิรานียกตอฟยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียดคร้านขึ้นเท่านั้น